ขอความเจริญในธรรม่งมีแต่ท่านพูกฟังเท่าไรแต่มประโพธิยานกำลังนำเสนอเรื่องปัจเจกขณะสมาธิจิตแล้วขยายมาถึงจุดที่เรียกว่าภาษาอภินิหาปัจเจกขณะคือเป็นข้อที่ทรงสอนให้บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆพิจารณาป่อยๆและพิจารณาอยู่สม่ำเสมอ แต่ว่าเมื่อมองโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นภารกิจที่คนทุกคนจะต้องตรวจสอบตัวเองรับผิดชอบในกรรมคือการกระทําของตนเองเพราะคนเราจะเป็นคนชั่วก็่พระกรรมเป็นคนดีก็่พระกรรมก็เรียกว่าเป็นกรรมลิคิตแสดงว่าคนเราก็สามารถลิคิตตัวของเราเองได้ อย่างนี้ท่านแสดงไ้ว่าลูกคนจนคนแค้นแสนจะคิดอาจแฝงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่าอาจจะโพรเป็นเมธีเหตุชนี้ไม่ควรรูดูหมินกันอันปรึกษาคราแรกจเจริญสีใช่จะมีต้นใบใหญ่มหันทุกๆต้นตั้งแต่เล็กมาด้วยกันตอนนานวันจึงเขียวคุมเช้ออุ้มใบมันก่อนก็ได้มาพูดถึงประเด็นที่ ตัวเราเองตีเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ถึงคนนี้แสดงเห็นว่าคนเราถ้ามีสำนึกภายในใจมากพอเนี่ยมันตีเตียนตัวเองได้ตลอดคือบางครั้งเป็นเรื่องความคิดแต่ความคิดจิตมันก็ขุนจิตก็เศร้าหมอง เพราะคนเช่นเราไปคิดอย่างนี้ก็ไม่เหมาะไม่ควรก็ติเตียนตัวเองได้อย่างยกตัวอย่างเช่นบวชพระเนี่ยเราเอง่็ศีลพ่อเดียวกันแต่ว่าพระบางเรื่องเนี่ยมองและคิดในทางที่เป็นอกุศลมันก็ไม่เหมาะไม่ควร ในขณะที่ชาวบ้านถ้าหากว่ามองปกติธรรมดาไม่เสียมัญญาาิมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายผมาก็แสดงว่าความรู้สึกสำนึกระดับศีลเนี่ยมันจะระนีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคนเรายิ่งมีความเป็นผู้ดีสูงขึ้นเท่าไหร่ก็จะเห็นความผิดพลาดบกพร่องเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้น มันเหมือนกับผ้ายิ่งขาวขึ้นเนี่ยมีจุดอะไรดำดังสักจุดหนึ่งก็จะเห็นชัดเจนเพราะแนวฮีริโอตปะจึงถือว่าเป็นแนวหลักที่คนจะต้องมีความรู้สึกละอายบาปแล้วก็กลัวต่อผลแห่งบาปอย่าที่ยกไว้ยกตัวอย่างไว้ในวันก่อนก็ได้พูดเฉพาะส่วนของคิดิว่า เราอาจจะประลบชาตสกุลอาจจะประลบวัยที่สูงขึ้นอาจจะประลบ ก, การศึกษาที่สำคัญอยิง่งคือใจต้องเข้มแข็งใจต้องกล้าหาญเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมันท้าทายท้าทายจิตใจของคนบมง่อก่อนีเปิดโทรทัศน์ดูรายการกระลักเกินร้อยเขา คือที่สนใจก็บอกว่าแม่ลูกคนละฝาแต่ว่าไปดูในช่วงหลังก็แสดงว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งไปพอใจเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่าจะเข้าใจว่าคงเป็นพนักงานในบริษัทจนถึงจุดหนึ่งในว่ยเนื้อเชื่อใจให้ไปเอาเครื่องทอง เ, เพื่อเพชรที่ฝากไว้ในธนาคารราคามหาศาลมากแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ไปเอามาให้ด้วยความเรียบร้อยคือนั่นเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องท้าทายสภาพจิตของเธอเพราะถ้าจิตของเธออ่อนไหวไปด้วยความโลภเนี่ยอาจจะเชิดของหนีไปก็ได้ แล้วก็อาจจะไม่ถูกจับกุมก็ได้ได้ทับไปแต่ว่าเธอก็ไม่มีความคิดที่จะทำเช่นนั้นคือทำให้แม่รักและก็ไวเนื้อเชื่อใจมากกิ่งขึ้นก็ถ้าเราฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นความรักแบบที่เคยเป็นแม่ลูกกันมาในชาติบางก่อนเขาเรียกว่าเป็นบุเพสั น, นิวาสคือเคยอยู่ร่วมกันมา ในฐานะแม่ลูกหรือในฐานะเป็นญาติสนิทเนี่ยภาพหลอนนี้ที่จริงถ้าเราศึกษาในคำพีร์พุทธสารน่าจะมีเยอะเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านอกุลบิดาท่นกุ ล, ากลมารดาเนี่ยทุกทักเป็นลูกเลยนะครับทั้งที่ท่านรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครเนี่ยท่านก็เรียกเป็นลูกเป็นความผูกพันกันในชาติปางก่อนพุทธเจ้ารับสั่งเล่า ว, ว่า สองสามีพันยาเนี่ยเป็นพ่อแม่ของท่านเนี่ยห้าร้อยชาติเป็นลุงเป็นอาเป็นลุงเป็นป้าเนี่ยห้าร้อยชาติเป็นน้าเป็นเป็นอาเนี่ยห้าร้อยชาติพันห้าร้อยชาติต่อกันเพราะเป็นความผูกพันที่อยู่ลึกอยู่ภายในใจคนไอความสำนึกอยล่านี้มันมันก็สํานึกได้ลึกๆไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าหากความสำนึกมันสูงส่งได้ขนาดใดเนี่ย แม้จะโดนแรงกระแทกกระทบมันก็ไม่สะดุ้งสะเทือนแต่ว่าต้องมีโอตป่าด้ว้คือตามปกติแล้วโอตป่านี่มันถ้าเรามีแล้วมันคุมเราได้เพราะว่าสิ่งที่นำมาประรบนั้นจะเป็นการประรบตัวเองบ้างปัจจัยภายนอกบ้าง เชืว่าการกระทำบางอย่างคนเราพอกระทำอะไรไปแล้วนี่ก็ตำหนิตัวเองได้หรือบางครั้งวินยูชนเขาํำหนิตีเตียนเราก็รู้สึกละอายแก่ใจหรือว่ากลัวเขาจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตาหนิตีเตียนหรือสามอาจจะกลัวต่อการถูกจับกุมคุมขังลงโทษติดคุกดาดางแต่เนี่ยเป็นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ คือมนุษย์ถึงจุดหนึ่งต้องกลัวนรกถ้ายังไม่กลัวต่อการตกนรกแล้วเนี่ยมันจะเอานิยายได้ไม่ได้อย่างรัฐบาลตาลิบันซึ่งมันเป็นกองโจรเก่าเนี่ยมันก็มีอักษรวิ่งอยู่วันก่อนวันที่รื้สึกวันที่สิบนะฮะบอกว่าการทำลายพระพุทธรูปใน อาการนี้สถานนั้นกำลังจะเรียบร้อยไม่กี่วันจะภาคภูมิใจมากที่ได้ทำลายสมบัติของมนุษยชาตินะที่จริงคือพวกงานเหล่านี้งานศินนละปะเหล่านี้มันแสดงร่องรอยความเป็นมาในด้านประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันเป็นอดีต ที่ควรแก่การศึกษาภาคภูมิใจของคนเหล่านั้นกราจะเห็นว่าถ้าเรามองยุคของจินซีฮ่องเต้คนก็จะมีแต่การเครียดแค้นจริงจังที่เกณฑ์แรงงานไปคนตายเป็นแสนแสนะฮะเปิกข้างกำแพงเมืองจีนจะเวลานี้เราจะพบว่าจินซีถูกมองด้วยความชื่นชม เพราะว่ากำแพงเมืองจีนนั้นได้ดูดเงินจากทั่วโลกในเข้าไปสู่เมืองจีนในเยอะเหลือเกินคนพวก น, นี้ก็เหมือนกันนะฮะคือถ้าแกกลัวนรกสักหน่อยหรือกลัววินยูชนติดเตียนสักหน่อยหรือเกิดสำนึกว่าเราเป็นลูกหลานมาอาศัยแผ่นดินที่บรรพชนท่านสละเลือดเนื้อชีวิตรักษาเอาไว้เนะี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง กตัญญูต่อท่านรักษาบรมีของท่านไว้พอบ้านเมืองเขาปกติเรียบร้อยเนี่ยมันก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยก็ดูดเงินตราต่างประเทศก็ไปได้มหาศาลเราไม่ไว่ายก็คนอื่นเขาไหว้เนี่ยอสิทธิมนุษยชนไม่ได้หมายความว่าเราจะกระทําย่ายีจิตใจของคนอื่นเราได้มันต้องเคารพสิทธิของกันและกัน แต่เนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นผลมาจากการศึกษาที่ไม่พิจารณาเข้าข้างในแต่พิจารณาออกไปข้างนอกแล้วก็ใช้อัตวิสัยแทนที่จะมองในแง่ของภาวะาวิสัยคนอย่างนี้ที่จริงเขาก็จเจริญยากนะแต่ว่าก็มีคนเข้ามาถามมาตมาเหมือนกันว่าท่านยคุณไม่คิดแต่ว่าทวงหรอ ไปท้วงอะไรก็โจรพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกคือเราไปไประท้วงมันมันยิ่งกําเริบเสพสารมันนึกว่าตัวมันใหญ่ก็ปล่อยมันไปก็สัตริย์โลกมันเป็นไปตามกรรมเฮยได้สุขได้ทุกข์ได้ดีได้ชั่วก็เพราะกรรมของเขาเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้ยถ้ามันเกิดสักข้อเดียวนะฮะข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แล้วจะหยุดยัง้งไอ้พฤติกรรมเลวร้ายได้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการกลัวภัยในในรก การกลัวภัยในนรบนั้นที่จริงแล้วเนี่ยจุดที่มันประณีตแบบพุทธเราจะเห็นว่าโครงสร้างพุทธเนี่ยอนุปวาโดนุประคาโตคือไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายเราจะไปกล่าวร้ายทำลายศา ส, สนาอื่นๆเนี่ยไม่ได้กล่าวร้ายก็ไม่ได้นะเราไม่กล่าวทำลายเราก็ไม่ทำลายหรือไมไ้แต่ว่าเรื่องราวความคิดบางเรื่อง คืออย่างในกรณีสมมติว่าวัตธรรมกายนะะที่มีการกล่าวห้างกันอยู่เสมอเนะี่ยถ้าถามมาตมาติงประเด็นไหนามาติงประเด็นที่ว่าไปอนิบายนิพพานในแนวมีอายตนะมีตัวตนไปอยู่เป็นก้อนอีกก้อนหินอยู่อย่างนั้นถือไม่ตรงตามหลักของพุทธศาสนะาด้านเ แต่ส่วนท่านปฏิบัติท่านจะเห็นแก้วใสแม่ใสเห็นพระพุทธรูปไม่เห็นเราเราไม่ได้สนใจมันเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านแต่อย่างน้อยที่สุดการดึงคนไปร่วมกันรักษาศีลแปดได้เนี่ยบางคกนก่การโมทนาแล้วซึ่งวันที่จริงก็มีคนทำได้น้อยนะครับประวัด ต่างๆทั่วไปเนี่ยเราไม่ไปกระเกณ์บงังคับประโยมน์เราสารชินแปดแต่ที่นั้นเขามีกฎเกณฑ์อยู่เลยโดยเฉพาะคนข้างในเนี่ยต้องรักษาชินแปดและก็แสดงเห็นว่าในส่วนที่ควรชื่นชมก็คือชื่นชมในควรที่ท่วงท่วงติง้งเราไม่ได้ท่วงติ้งเขาแต่ว่าท่วงติ้งว่าไม่ตรงกับหลักในประไัยบิดกเท่านั้นเอง แต่ถามว่าเขาพอใจอย่างนั้นก็เป็นเรื่องดีไหมก็ดีนะะก็ดีกว่าตกนรกเยอะเลยก็บังเกิดั้งพรมโลกนะไม่ใช่ธรรมดามันจะต้องผ่านฌานรูปฌปานอรูปฌปานขึ้นไปเพราะพอเรามองแล้วนี่เราจะเห็นเราจะเข้าใจเห็นใจก็ให้อภยัยต่อเขาแล้วถ้า เขาฟังก็เป็นความดีของเขาก็ไม่ฟังมัน ก, ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่ากิจใดอ า, ามาอย่างชอบพระพุทธธรรมรัดเถพทธเจ้ารักสั่งก่อนนิพพานเนี่ยเพรามากกิจใ ด, ดที่าศาสดาผู้เอนดูจะพึงกระทาต่อเธอทั้งหลายผู้สาวกตถาคตได้ทำแล้ว ส่วนเรื่องการศึกษา ح, ปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่ดูแลวศาสนาจะเกิดขึ้นแก่ผู้ตบฏิศทหรือไม่เป็นเรื่องของแผ่นดอกนั้นแต่ภ า, ารกิจของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นาศาสดาผู้เอนดูตรวศาสนิเนี่ยเรียบร้อยนะถูกต้องสมบูรณ์ไปแล้วเพรา ะ, ะวัตถุประสงค์ในตรงนี้ก็คือเน้นที่เพิ่มทิรโอตปา แล้วเกิดสำรวมระวังอาการที่แสดงออกทางกายทางวาจาก็สำนวนบาลีเขาเรียกว่าทางใจทวารนะจตทีนี้ใจถ้ามันมีฮิดิอุตปะอยู่แล้วก็เลิกพูดได้นะคืออาการกายวาจาใจมันสงบไปเองประการพูดการกระทามันเป็นการสะท้อนจากจิตปัญหาว่าจิตคิดยังไงทีนี้จิตที่คิด โดยฮิริโอตปะเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วประการต่อไปก็ที่จริงก็เป็นแนวย้ำเตือนแบบโอตปะนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าปกติเราเนี่ยมันติเตียนตัวเราเองไม่ได้คือคนบางคนไม่เคยผิดคือวันก่อนฟังรัฐบาลเก่าก็สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ก็โคดประโยคมา ถ้าม า, าเออคนเนี่ยมันแปลกคนนี้เขาไม่เคยผิดเลยนะฮะแปลกจริงๆคือก็โจมตีรัฐบาลใหม่ว่าคืออย่าไปอ้างอิงความผิดพลาดบกพร่องของรัฐบาลก่อนไม่ใช่เป็นวิธีการของนักบริหารที่ดีแล้วสมัยตัวเองในโจมตีรัฐบาลก่อนมาตลอดเลรละกานนันมาอย่างนีก้ก็แปลกันนะแปลกว่าทําไมไม่เห็นความผิดตัวเองบ้าง ทำไมไม่ดูตัวเองบ้างคนเรามันผิดได้ทั้งนั้นแล้วเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่ว่าจะไม่ไปเชื่อมโยงกับอดีตปัจจุบันที่จะไม่เชื่อมโยงกับอดีตเนี่ยแต่สมมติพูดเรื่องยาบ้านเนี่ยมันมาตั้งนานแล้วจนเจนจนจีนคอมมิวนิสต์อุ๊ยมาตั้งสี่สามสี่สิบปีแล้วมันไม่เชื่อมโยงได้ไงโคอรชันนี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะ มาตั้งแต่สมัยโน้นนะอยุธยามันก็คอรัปชันกันแล้วนะฮะกัวโขไทยก็มีคอรัปชันอยู่แล้ ว, นะลวเพราะมันเป็นการสะท้อนความจริงนะเพื่อจะเป็นการศึกษาที่ไปที่มาชัดเจนเนี่ยมันก็ควรจะผิดบ้างอนะนะอย่าเก่งจนจนไม่ผิดอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้แร้วคนอื่นเนี่ยเขาเขามองเป็นเขาเข้าใจเขารู้เขาจํา คนได้อยู่ข้างนอกเนี่ยราษฎรในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าโง่เขาบุบัญญาอะไรพูดบางทีเนี่ยวันก่อ น, นมีอดีตที่ปรดีกรมการศาสนาเขามาคุประชุมด้วยก็บอกว่าไอ้พูดกันเนี่ยกรรมการที่เขายก ร, ร่างพระราชบัญปฏิรูปการศึกษาเนี่ยพวกกรรมการก็อธิบายแล้วบอกโอ้น้องถ้าพูด ผิดแล้วก็พูดใหม่ได้นะเพราะว่าขอท่านไปของท่านน่ะ่านไปของท่านด้วยความเชื่อมั่นของท่านองค์ทานที่จริงๆท่านเป็นกรรมการปฏิรูปการศึกษาพอท่านมาปฏิรูปาศาสนามันก็ยุ่งแค่นั้นเองอธิบดีกรมการาศาสนาเนี่ยก็อยู่ในกรมการหนามา2ยี่สิบกว่าปีนะมขนก็มีประสบการณ์ที่จะให้ข้อมูลอะารต่างๆได้ ดังนั้นในการหลงตัวเองเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันธรรมดาลงตัวเองคือส่วนมากแล้วจะไม่สำนึกว่าความผิดเป็นความผิดอันนี้คือเรื่องใหญ่ทำยังไงจึงจะสำนึกว่าผิดก็คือผิดอ่ะถูกก็คือถูกก็จะว่ายังไงเราก็ไม่่าเทวดาเราก็ผิดได้เหมือนกันแต่ผิดเราก็แก้ไขใหม่นะอย่างที่ ท่านสรรเสริญพระองคุลิมานเป็นเป็นอุทานนะเป็นลักษณะอุทานแล้วท่านอาจารย์สุชพบุญญานุภาพเนท่านมาแปลเป็นคากรอนไว้ในหนังสือใต้ร่กาสาวพัดเป็นหนังสือที่อ่านมาอ่านตั้งแต่เป็นเด็กนะเป็น เ, เด็ ก, ดกแต่มันซึ้งมากรู้สึกเป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่เลยเกินแต่จริงเล็ไม่ไม่ไม่โตเท่าไหร่ เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วแก่ท่านบอกว่าผู้เอ๋ยผู้ใดลำพองใจประมาทมาก่อนแต่กลับตัวได้ไม่นิ่งนอนถ่ายถอนชั่วช้าสั่งสาไปผู้นั้นเหมือนจันทร์วันเพลนลอยเด่นดวงงามอรารามใสไม่มีเมฆหมัวหมองทะยองใหญ่สองล่าทั่วไปสว่างเอ่ยแต่เพราะระบบการศาึกษานี่เรามองออกนอก เรามองออกนอกก็ไม่มองข้างในก็ทำให้มองเห็นผิดไม่ผิดอย่างวันก่อนฟังเขาสัมภาษณ์ท่านผู้หนึ่งที่ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรแต่อะไรที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยความเสียงสัมภาษณ์เนี่ยท่านไม่รู้สึกว่าท่านผิดเลยอะแล้วเงินมันหายอะไรเป็นพันๆล้านแหละแล้วทำไมไม่ผิดเลยละ่ะก็เงินก็ข้อเงินคู่ฝาไม่ใจะเงินวนตัวท่านเนี่ย อันนี้คือคือปัญหามากแล้วก็พระเราบางทีก็มีลักษณะอย่างนั้นคือว่าไม่มีการตรวจสอบตัวเองแล้วก็ไม่ยอมรับการตรวจสอบจากบุกคคลอื่นคือการทุ่มติงการตาหนิจากบุกคคลอื่นบางทีเป็นคนที่โกรธง่าย ปัญหาผูเขาใหญ่ในการบริหารบุคคลทางวาสันาเนี่คือคนหัวดือ้อนะหัวดื้อเป็นเรื่องที่น่ากครที่สุดเลยและเช่นบางทีนี่ท่านก็เป็นผู้เฒ่าบวชมาตอนอายุกแก่แล้วแล้วก็ไปเจอหัวดื้อเข้าแล้วก็หนักใจนะฮะ จนถึงบางครั้งบางคราวเนี่ยเขารังเกียจไม่ให้คนหัวหรือโคนแก่ในบนุตรเพราะกลัวเรื่องความดื้อความรันของท่านแต่คนแก่บางคนก็ดีเหลือหลายอนะฮะบังกะตีก็เด็กเองก็ดื้อ ม, มากกว่าคนแก่ก็มีมันก็เอานิยายอะไรมันก็ได้หรอกแต่สรุปว่าคนมองไม่เห็นเป็นความผิดทีนี้คนถ้าไม่เห็นผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูกเนี่ยมันแก้ไขยากเป็นจริงหลักการทางศาสนามันก็เป็นการสั่งสอนท่านนั่นเองนะฮะถ้าเขาไม่ไปจักด้วยใจตัวเองก็จบสิ้นกันเขาต้องไปจักด้วยใจตัวเองวันนี้เขาผิดก็พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขก็ไม่ได้ว่ายังไงในคนมาหกล้มได้มันก็ลุกขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าก็ผิดพลาดตั้งหลายครั้งแต่เราอย่าลืมพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่า เอาความผิดพลาดของพระองค์เนี่ยมาเป็นครูสอนลูกศิษย์แต่ฐาคตเคยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พี่เจ้ามาเล่าหมดอในชาดกเนี่ยผิดก็มีไม่จะถูกทั้งหมดนะที่ผิดก็มีแล้วก็ที่ส่วนใหญ่ก็ถูกด้วยแหละเพราะว่าเป็นคนสร้างบารมีแต่ว่าที่ผิดเนี่ยก็เอามาสอนเรวองได้เพรหลักการตรงนี้เราจะเห็นว่าในตอนแรกในให้มองด้วยตัวเอง บรรพชิตควรพิจารณานเนงๆว่าตัวเราเองติเตียนตัวเราเองโดยสีลได้หรือไม่เพราะหลักความจริงก็คือตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะฉั้นจงเตือนตนด้วยตนตรจวจสอบตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนถูกผิดนี่เราเป็นคนรู้เรื่องนี้ที่จริงมันง่ายนะฮะมันง่ายอย่างปัญหาต่างๆ คือในแนวของกรรมจริงๆอ่ะเราไม่ต้องไปผ่านกระบวนการอะไรเรากรรมมันเสร็จเลยนะเช่นสมมติว่าเราจับไฟปั๊บเราก็ร้อนปุ๊บเลยเห็นไหมมันเจตนาจับไฟเนี่ยเป็นกรรมแล้วก็ความร้อนอ่ะเป็นผลของกรรมแล้วเราก็เป็นเจ้าของความร้อนนั้นอ่ะแผลเป็นแผลผู้พองเราก็เป็นเจ้าของนั้นมันปัน้นมันมันปั๊บทันทีก็ไปครบทั้งกรรมทั้งผลกรรมและการเป็นเจ้าของกรรม แต่ ก, กระบวนการนางโลกเนี่ยมันผ่านกระบวนการเดยกคนรู้แสนรู้ว่าตัวเองผิดเนี่ยก็หาวิธีอุบายหลบเลี่ยงกันด้วยประการต่างๆนะใช้สิทธิพิเศษไรต์อะไรต่างๆขึ้นมาแล้วมันก็บางทีมันก็ฝืนเจตนารมณ์ของรัฐมนูญเป็นงาสําคัญเรื่องจริงหรือไม่จริงแหละจริงก็จัดการตัวเองสิทําไมต้องให้มันคนอื่นไปป่วนสถาบานนันต่างๆไปป่วนล่ะ ย่งว่าพระเราเนี่สมมติว่ารู้ตัวว่าสึกก็สึกรู้สึกว่าผีก็สึกผดถึงขั้นสึ ก, ก็สึกยังไม่ขั้นสึกก็เอาลองอยู่ไปก่อนอลองฝึกปลือไปก่อนเพราะว่าพระไม่ใช่คนสมเสร็จรูปพระเร า, าเอาคนมาฝึกไม่ใช่ว่าประผิดแล้วก็ยิงป้องนะยิงเป้าหมดเลยมไม่ได้หรอกเรื่องฝึกคนนะเรียกว่าช่วยเจทีดีเจตหนแต่ว่าสำคัญว่าท่านต้องสานึก พอท่านติเตีนติตัวท่านติเตียน ต, ต, ตัวท่านเองโดยสีนี้ได้หรือไม่นะอันนี้ก็คือประเด็นหลักประเด็นหลักที่ถ้าเราตรวจสอบตัวเองก็เหมือนข้างนอกเนี่ยถ้าเราตรวจสอบตัวเองก็ไม่มีปัญหาตัดสินตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนแล้วแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ทําด้วยตนเองทั้งนั้นต้องฝั่งหลาย แต่รบพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไปบุใ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี